บนบทนาสาธารณในท่านสาธาชนทั้งหลายสูดในวันนี้จะได้พูดเรื่องปิยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเหตุให้เกิดความรักซึ่งทรงแสดงไว้ในสตตการณิบาตังคุตรนิกาย ก็ว่าที่จริงก็เป็นโครงสร้างของทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนั่นเองความว่าความรักความเคารพความนับถือกาศรัทธาเป็นต้นนั้นเป็นผลที่ทุกคนต้องการแต่ว่าจริงแล้วว่าผลทั้งหลายนั้นเกิดมาจากเหตุโดยพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดของคนเรา เราต้องการผลที่น่าปรารถนาแต่ก็มีเป็นจํานวนมากที่สร้างเหตุไม่น่าปรารถนาแล้วก็ไปเรียกร้องผลที่น่าปรารถนาซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ทรงสอนเรียงไว้สองสูตรก็แสดงเหตุทั้งสองสายคือเหตุที่ให้เป็นที่รักและก็เป็นที่เกลียดชังของบุคคลอื่นมีธรรมะซ้ากันห้าข้อ ก็ไปต่างกันอยู่สองข้อข้อแรกที่ว่าด้วยเหตุเหตุที่ทำตนให้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นและแก่การที่ปฏิบัติตนหรือก็ทำอะไรเพื่อลาภเพื่อสักการะเพื่อชื่อเสียงก็ทีิจริงก็ทำไปด้วยความโลภนั่นเอง หมายความว่าคนที่โลภจัดเห็นแก่ตัวจัดมองแต่ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้ไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้เพราะน่าจะเห็นว่าราบสักการะชื่อเสียงสักการะก็คือการเคารพนับถือบางทีจะใช้คำอีกคำหนึ่งว่าสมณะคือความนับถือจากบุคคลทั้งหลาย แล้วก็เป็นทางมาของอะไรต่อไม่อะไรอีกเป็นนั้นมากสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นเราเรียกวเป็นอิทธารมณหมายความว่าเป็นอารมณ์ที่คนต้องการแต่ก็จริงแล้วมาเกิดได้ทั้งการทําดีจากการทําดีและการทําชั่วคำลาบหมายความความสิ่งที่เราได้พูดปัจจุบันคงใชก้กำมงคลประโยชน์นะฮะ จะสิ่งที่เราได้มาการได้ผลประโยชน์หรือได้ลาบมานั้นได้มาในทางที่ชอบธทำก็ได้ไม่ชอบทำก็ได้เพราะฉะนั้นคนจะรวยได้ทั้งสองทางรวยด้วยทางสุจริตก็ได้รวยด้วยทุจริตก็ได้สักการะคือการยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะว่าสัตว์โลกนั้นเป็นเป็นสัตว์โลกที่ ที่เร็วเข้าใจยากหมายความว่าปรากฏภาพลักษณ์ออกมาอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าจิตใจเป็นอย่างหนึ่งอีกเบื้องหลังอีกเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ท่านายควานช้างคนหนึ่งมากราบทูลกับพระพุทธเจ้าอาศัยที่เขาคุ้นเคยกับการฝึกสัตว์มาเลยท่านบอกว่าสัตว์นี่มันตรงดีเกลียตยาใส่ต ร, ตรงแล้วเข้าใจง่าย แตวคนนั้นคดเข้าใจยากเพราะอะไรเพราะว่าภายในใจคนนั้นรู้ใจว่กิเลสบางอย่างมันคล้ายๆธรรมะเวลาออกอาการเนี่ยแล้วค่อนข้างดีกว่าธรรมะที่ทาไปนะฮะแสดงอาการบางทีคือพวกมารยาพวกเจ้าเล่พวกเสีแซงพวกโอ้อวดทั้งหลายเนี่ยนะเวลาแสดงก็แสดงได้ไพเราะได้สวยงามนะสงบสงเงียมเรียบร้อย แต่ภายในจิตใจนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้เราก็มีพวกคำโครงอะไรแต่ไรที่สั่งสอนเอาไว้พูดถึงลูกมะเดือ่อพูดถึงนกย่างภาพลักข้างนอกก็น่าดูสวยงามอย่างขาวขนเรียบร้อยดูดีภายนอกมนใสสีเปรียบไฟ่กินสัตว์เสรจระมีสีพิเชกเช่นชนชาติร้ายนอกนั้นวดงามนั่นก็แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ปรากฏกับนเนื้อหาจริงๆมันไม่เหมือนกันแต่คนเราไม่ค่อยควรพิจารณาให้ดีล้วก็อาจจะหลงให้การยอมรับนักตือสศรัทธาแก่บุคคลเหล่านั้นได้เพราะงั้นก็ให้ความสักการะให้ความยอมรับนักตือเแก่เขาได้สำนวนทางศาสนาท่านใช้ค็ว่าเป็นอยู่ให้โลกเชิงโน ต้นเดรสังราชาติวัฒน์เนี่ยท่านเคยรับสั่งว่าในโลกนี้คนบ้าบวมบวมยังไงมันก็ได้คนนับถือทั้งนั้นเนี่ยแต่ เ, เราเรานึกดูสมัยพุทธกาลเนี่ยคนหนึ่งยืนขาเดียวนะแล้วกางแขนบอกว่ามีวาตะก็อวาตะพักโขคือกินลมคนตื่นเต้นกันใหญ่เคารพนับถือกันใหญ่ พยายามแหกผลอาหารไปให้ท่านกินท่านไม่ยอมกินบอกว่ากินหลบศักดิ์สิทธิ์กันใหญ่แล้วก็หลอกคนมาได้ตั้งนานนะนะเจ้นุทธพเจ้าต้องไปปราบในตอนหลังตำรา บ, บอกว่าหลอกคนมาได้ตั้งห้าสิบห้าปีนี่ก็แสดงว่าเป็นอยู่ให้โลกชงมนเกิดขึ้นจากความโลภต้องการผลประโยชน์ ที่ตัวเองจกได้จะได้คนอื่นมาปนปลือตัวเองาราบสักกระชื่อเสียงชื่อเสียงก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราเช่นว่าในปัจจุบันก็สามารถจะจ้างคนให้ประชาสัมพัน์ตัวเองได้นะฮะยุคโฆษณาชิดเชื่อเนราก็ได้มาทางดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้เพราะงั้นจากการที่ทํามาในทางไม่ดีนะ คือจะเป็นเหตุให้ตนเองไม่เป็นทีรักของบุคคลอื่นแต่เราจะต้องมองโลกอีกทีหนึ่งนะฮะว่าโลกมันก็เป็นขมันอย่างนั้นแหละมวความมงคลได้ลาบมาในทางที่ดีได้สักกระในทางทดีๆได้สันเสริญในทางที่ดีคือการประพฤติประพฤติ ด, ดีรู้จอบของท่านนะฮะถามว่าเป็นทีรักของคนทั้งหมดไหมก็ไม่หรอกเพราะว่าโลกมันมีริสยาจะมีคนริษยาอยู่ตลอด จะดีเด่นพิเศษอย่างไงก็ตามจใจคนรักทั้งตัวเองทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้โลกเป็นคนอยู่ในลักษณะแบบคนรักถ้าผืนหนังคนจังถ้าผืนเสื้ออยู่นั่นแหละคนขนาดพระพุทธเจาคนขนาดพระหานทั้งหลายก็ยังมีคนริษยาเพราโดยเนื้อหาสาระแล้วเนียการฏบัติธรรมจึงไม่มุ่งไปที่ตรงนี้มันจะเกิดมนก็เกิดไม่เกิดมันก็ไม่เกิด ถ้าจะได้มันก็ต้องได้มาในความด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความสุ่อสัตเพราะ ส, ส, สิ่งเหล่านี้ที่จริงอย่างที่เราพูดว่าเป็นสมบัตินอกกายตัวการใหญ่เป็ น, ปนการแสดงอาการที่ปรากฏนะฮะว่าทำให้คนไม่เป็นทีระของบุคคลอื่นก็คือปฏิบัติตนหรือทาตนเป็นคนนี้แก่ตัวต้องการลาบต้องการสักการะต้องการชื่อเสียงตัวการต่อไปนั่นคือ อิริคือไม่มีความละอายต่อปากประพฤติกระทาอะไรไปโดยขาดจิตสานึกที่ดีงามอาการทางกายทางวิญญาณนี่ค่อนข้างชัดเลยนะฮะค่อนข้างชัดเพราะว่ามันออกมาข้างนอกเหตุการดีไปดีก็ออกมาข้างนอกคือขาดความละอายขาดจิตสานึกที่ดีงามเมื่อคืนเนี่ยมีคนก็ามาเล่ามีพระก็ามาเล่าให้ฟังถึง ตัวใหญ่มากท่านหนึ่งเ น, เนี่ยฮะตรัรวมคนเดียรีพูดไม่รู้เรื่องเป็นคําสั้นๆ น, นะนะแต่ก็มองเห็นปัญหาอย่างหนึ่งว่าพฤติกรรมต่างๆที่ปรากฏในสังคมเป็นแฟชั่นแปลกๆใหม่ๆที่ขาดจิตสํานึกขาดความละอายต้องการแต่ได้ผลประโยชน์ท่านหนึ่งพูดรวมๆคนเดียรพูดไม่รู้เรื่อง ขาดจิตสนึกในตัวเองเพราะว่าฮีรีเนี่ยมันมันเป็นเรื่องมโนธรรมเพราะการขาดหีรีก็คือขาดมโนธรรมแล้วก็ออกมาโดยมุ่งไปที่ลาบสักการะชื่อเสียงอีกนะฮะเราก็กลับไปที่ลาบสักการะชื่อเสียงหมายความอะไรก็ตามให้ตนได้ก็พอแล้วจะไม่ได้สนใจใส่ใจถึ่งความถูกต้องดีงามแล้วก็อนนตตะปะคือไม่สะดุ้งกลัวตปะ หมายความมาทําบาปไปได้โดยไม่สํานึกว่าบาปนั้นจะมีผลให้ความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรคนเหล่านี้เขาไม่คิดอ่ะแล้วว่าที่จริงเขาอธิบายได้ก็บอกเขาอธิบายได้นานมาแล้วที่เคยเล่าท่านนางหลายฟัง ว, ว่าสมัยมาเป็นเด็กๆเกข้าใจว่าตอนนั้นตั้งแปดเก้าขรัวไปนะมันเป็นประโยชนสั้นๆเป็นประโยคสั้นๆแต่มันมั น, ม, นมันติดใจมาตั้งแต่เป็นเด็ก เราเดินผ่านคนแก่ก็นั่งคุยกันแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยแกเมาเล่าแล้วแ ก, แกวุ่นวายมากอะ่ะพฤติกรรมไม่ดีเลยจหมกบี้ชื่ออะไรลืมไปแล้วนะแล้วก็เขาพูดว่ามึงระวังนะทำบาปทำกรรมอย่างนี้นะตายไปตกนรกนะแกก็บอกแกเป็นอะไรไม่กลัวเราขอให้มีตัวเมียก็แล้วกันแหละโอ้โหมันความคิดที่น่าสยองนะแล้วเราก็เป็นเด็กอะ่ะ เป็นเด็กแต่ไม่มันมันแปลกอเป็นความคิดที่แปลกแต่เราก็ไม่เข้าใจอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเป็นความคิดที่แปลกแล้วก็ความคิดเราเนี่ยพวกก็ฝังใจมาตลอดบอกความคิดมันมันมันมันมืดบอดมากว่าแกเกิดมาอาปาพแล้วจะหมู ก, ก็บียังมีความคิดที่ไม่คํานึงเรื่องบาบุลคุณโทษจะไปเกิดเป็นพบเป็นหมูเป็นแมวเป็นอะไรแต่อะไรก็ตามขอให้มีตัวเมียก็พอแล้วนะแค่คิดแค่นั้นเองนั้นเอง นั่นก็คือลักษณะของคนที่เรียกว่ามีความเห็นผิดแล้วก็ไม่มีความละอายไม่มีความสะดุง้งัวดตบะแล้วถามเพราะอะไรท่านบอกว่าข้อต่อไปคือปรารถนาลามบสานวนบาลิกปาปิโฌตันชายก็มาปาปิโฌแล้วก็แปลว่าปรารถนาในทางไรหรือปรารถนาในทางไม่ดีหมายความว่าจิตใจมากกว่าความโลภโลภอยากได้ สารพัดแล้วก็ไม่คํานึง่งดังความผิดชอบช่วย ด, ดีแล้วอย่าลืมว่าถ้าคนอื่นได้เนี่ยก็จะเกิดริษยานะคนอื่นได้เนี่ยจะริษยาเพราะงานในความผิดชอบช่ว ด, ดีจึงไม่มีอยู่ภายในใจแล้วก็พอประกฏตัวในที่ใดเกี่ยวข้องกับใครในสังคมคนเหล่านี้ก็จะถูกคนอื่นก็รังเกียจนะนั้นเพราะเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็มีอะไรอ่ะ จบลงด้วยความเห็นผิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นท่านเห็นว่าหข้อครั้งแรกเนี่ยมันเกิดไปจากความเห็นผิดแต่นั้นเองเป็นการแสดงธรรมะแบบกระบวนการหมายความมาพูดจากปลายลงมาหาที่ขดชี้นกจงมายอยู่ข้างบนก่อนแล้วก็ลงมาให้ดูข้างบนจริงๆเนี่ยมันเกิดจากความเห็นผิดก็เห็นผิดก็คืออาการของอวิชชา เกี่ความมืดบอดในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญาในด้านความรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเม็นผิดระดับสินธรรมจัญญาหรือความเม็นผิดแนวลึกดาห็นผิดในแนวสินธรรมจัญญาก็คือเป็นการปริเสธความดีความชั่วหมายความว่าถือความดีไม่มีความชั่วไม่มี เส้นทรงแสดงไว้เป็นสูตรที่เราเจอบ่อยนะฮะพวกมิจฉาทิฏฐินี่เจอบ่อยและมิจฉาทิฏฐิหลักที่ทรงแสดงไว้มากเป็นพิเศษก็คือสิบข้อเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีพ่อไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทาดีทำชั่วของคนของสัตว์ทั้งหลายไม่มี ถ้าท่านได้รู้ดีรู้รชอบตัวตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามไม่มีก็สัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีอันนี้คือสูตรสิบนะฮะก็สิบสูตรอย่างเงี้ยว่าเมื่อไรก็ว่าสิบสูตรทุกทีตอนนี้ท่านท่านไหนลองสังเกตไอ้สิบข้อมันคืออะไรสิบข้อนั้นส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะเป็นอาจิพตายเป็นเรื่องที่เราคิดเอาไม่ได้ อจิตไตคืออะไรคือกรรมมาวิก ร, ร ม, มวิปากวิสัยวิสัยของกรรมแล้วก็วิบากรร ม, รร ม, รรมเราเราคิดออาไม่ได้มันเป็นเรื่องรู้ระยานจำแนกรายละเอียดแล้วจะ ต, ต้องใช้ระดับญาติแล้วก็พุทธญาตนั้นเองอยังแยกได้ก็ดืดแยกไม่ได้ขนาดราสาอีบุตรแยกไม่ได้นะเรื่องก ร, รมเนี่ยแล้วก็อิทธิวิสัยวิสัยของท่านที่มีฤทธ ชาณวิสัยวิสัยของญาณพุทธวิสัยวิสัยของพุทธเจ้าก็โลกจินตาโลกจินตาคือปรากฏการณ์ของโลกก็เรื่องเกี่ยวกับโลกทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดนี้เขาถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราคิดเอาไม่ได้พุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้สองระดับระดับหนึ่งให้เชื่อเชื่อจากแหล่งที่มาที่คนเชื่อ พอสรุปแล้วก็จะไปเจอศรัท ธ, ธาสีนะเราจะเห็นว่าการให้ทานการบูชาพิธีกรรมเรื่องกรรมสีอย่างเนี้ยเรื่องกรรมศรัท ธ, ธาตอนสายกรรมศรัท ธ, ธาการเชื่อกรรมการเชื่อผลของกรรมรเชื่อการลิสัสทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตัวทีนี้เรื่องบุญคุณพ่อแม่เรื่องบุญคุณเออ พ่อมีคุณแม่มีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีนะฮะท่านที่รู้ดีรู้ชั่วดูตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามมีแล้วก็สัตว์ที่ตายแล้วเกิดมีเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าพ mm hmm. ระุท จ, จ้าทรงแสดงววาอย่างนั้นเราก็เชื่อทีนี้ถ้าเสียฐานความเชื่อคือไม่พร้อมที่จะเชื่อมันก็มันก็จบแหละก็จะคงความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แต่พอถึงระดับหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เองไงนะ มายความมรมพัฒนาปัญญาขึ้นไปท่านเรียกใหม่นะฮะท่านเรียกว่ากรรมสกตาสมาธิธธธหรือแปลว่าปัญญาเห็นชอบในเรื่องกฎของกรรมทีนี้การเห็นชอบในกฎของกรรมที่เราจริงๆเราก็มองไม่ตลอดสายเรื่องกรรมเราเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันพอจะย้อนอดีตเข้าในเราย้อนไม่ได้ทําทไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้าถามหมอดูหมอดูก็ตอบสิบคนก็สิบเรื่อง พระจ้จะส่งแสดงถึงชีพมาของผลที่ปรากฏแก่เราในขณะนั้นๆให้ดูพราจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมที่เราได้กระทาไว้ในคราวนั้นๆอย่างที่เคยเล่าเรื่องพูกประวัติพยาาัสาวกพวกประวัติพวกเปรตพวกเทวดาทั้งหลายเพรา ะ, ะตรงนี้ตราบใดที่เราใช้ปัญญายัางไม่ได้หมดมันก็ต้องส่วนหนึ่งต้องใช้ศรัทธาไปก่อนแต่ศรัทธานั้นจะต้องมีเหตุผล ไม่ใช่่าเชื่ออะไรง่ายปัญหาใหญ่ในในปัจจุบันนี้เราก็มีความสับสนสับสนในเรื่องศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาบางทีมันก็ถูกบังคับให้ไหลไปตามกระแสความเชื่อไม่ได้มองเหตุมองผลอะไรแล้วเกิดความสับสนแม้แต่พอมีข่าวคราวอะไรที่เกี่ยวกับพระในทางไม่ดีเนี่ยเฮโลสละภาท่านหลายลองลองสังเกตดูนะฮะว่า ล้วมาลองสังเกตแม้ในห้องนี้ว่าวาเวลาโยมลดจะมีอยู่สามเรื่องหนึ่งขนตกนะสองเทศกาลกรจินแล้วก็น้าร้อนนะฮะน่าร้อนนี่เทศกาลนาร้อนแล้วก็สามข่าวข่าวข่าวพระไม่ดีเนี่ยโยมที่มาในห้องนี้จะลดลงไปสิบกว่าปีมานี้จะจะลดเพราะสามเหตุอย่างนี้ตลอด นันแสดงให้เห็นอะไรแสดงว่าตอนเทศกาลไม่แปลกนะฮะตอนเทศกาลส่วนใหญ่เราก็ไปเรื่องบุญเรื่องกุศลกันแต่การที่ลดลงไปจากข่าวพระในทางไม่ดีนี่ในทางลดแสดงว่าความเข้าใจในสถานภาพของพระสงฆ์เรายังไม่ถูกต้องตามหลักยังไม่ถูกต้องตามหลักที่ที่เราสวดสรรเสริญนะฮะแต่เราเข้าใจตามหลักตรงนั้นแล้วเราจะเข้าใจชัดเจนเลยว่าจริงๆท่านแยกไว้ชัดมาก แยกไวชัดมากว่าสี่ข้อแรกนั้นนะเป็นหลักการประฤปฏิบัติสุปฏิปโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติปเป็นธรรมปฏิบัติสมควรที่จรึงเป็นข้อปฏิบัติสากลไม่ใช่เฉพาะพระสงค์นะหมายความมาทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ปฏิบัติอย่างนั้นแหละเป็นสูตรหลักในการปฏิบัติชาวบ้านเองก็ตรงก็ดีก็ตรงก็เป็นธรรมก็สมควรก็เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ระดับใด เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมคูรพอถึงระดับสุดยอดคือเป็นพระยบุคคลมันมีเป้าหมายยที่ความเป็นพระยบุคคลเพราะฉะนั้นเราก็สวดนะที่จริงเราก็สวดยาติแดงนี่คือใครจะตาริปุริสุการนี่คู่แห่งบุรุษสีอัถาปุริสปุกกาลาบุรุษบุคคลแปเอสสะปะกโตสาวกสองคนนี้หมู่สาวกของพระภูมิรัก้าหมายความมาคนปฏิบัติได้อย่างเงี้ยสี่ข้อข้างบนที่สมบูรณ์นะมันเป็นพระยบุคคลแปดประเภทแต่นั้นเองอ่ะคนอื่นทาไม่ได้หรอก หมายความไงหมายความว่าเราเองมาทําไม่ได้เพราะเรายังไม่เป็นพระยะบุคคลก็ท่านนั้นเองแล้วท่านเหล่าเนี้ยจึงจะควรจริ ง, รงๆ อ, อุโอโนโยปุนโยธกิจนายโยจิกานาโยเนี่ยแยกไว้ชัดในสังกคุณเพราะงั้นจําเป็นจะต้องศึกษาสังกคุณให้เข้าใจแล้วจะไม่ได้สนใจเรื่องปัญหาข้างนอกตัวจะมองโลกโด้วยความเข้าใจความเห็นก็จะอยู่ในความเห็นชอบตลอดไปไม่ใช่แกว้งไปพอถึง เจอกอ่ออออออออาวข่าวพระไม่ดีสักทีแล้วก็ด่าพระกราดหมดเลยพระพระอื่นจะโดนด่าทุกทีเวลามีใครไม่ดีขึ้นมาสักอะดีไม่ดีเรายังไม่รู้นะที่จริงมันเป็นข่าวแล้วก็เราจะด่าพระทั้งหมดอันนี้นี่นี่คือคือแสดงให้เห็นถึงศรัทธาที่ยังไม่มั่นคงในะความใช้ศรัทธาศรัทธาก็ไม่แน่นใช้สมาสธิสติสมาธิสติก็แขวงมันก็แขว่งทั้งสองอย่าง สมาธิคือปัญญาเนะี่เราจึงวเรื่องศรัทธากับปัญญานั้นเป็นเป็นเรื่องใหญ่ในความเป็นาศาสนิกในชั้นแรกต้องจับศรัทธาไว้ได้ก่อนอย่างที่บอกนะฮะชีวิตเราคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับตอนเราเด็กๆเราก็ต้องเชื่อพ่อแม่ไปก่อนจนะเชื่อเพราะท่านเป็นพ่อแม่นะอย่าลืมไปเชื่อเพราะท่านเป็นพ่อแม่ไม่จะไปเชื่อใครไปหมดทุกคนเราเห็นว่าเป็นคนเราก็เชื่อหมดไม่ใช่อย่างนั้นเชื่อเพราะท่านเป็นพ่อแม่เชื่อเพราะครูเชื่อเพราะท่านเป็นครูนะฮะ เชื่อปู่ย่าตายายเชื่อเพราะท่านเป็นปู่ย่าตายายเห็นไหมเรามีความรู้ในตัวสถานภาพของท่านแสดงว่าเรามีปัญญาในในสถานะของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของปู่ย่าตายายศรัทธาก็มาก่อนแต่ยันลืมเพราะความรู้มาก่อนนะจริงๆความรู้เกิดขึ้นก่อนเสร็จแล้วเราก็มีศรัทธาในตัวท่าน แล้วก็เราก็เริ่มใช้ปัญญาขึ้นมาเรื่อยไถึงจุดหนึ่งเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองได้เพราะัพัฒนาการทางจิตมันก็เหมือนกับเราโตมาในชัดเจนมากๆเลยเหมือนกเราโตมานั่นแหละแต่เห็นว่าเราจะอิงอาศัยคนอื่นสุดตัวตอนเล็กๆเนี่ยแม้แต่จะกินแม่จะต้องป้อนให้เลยทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากกืนอย่างเดียวเองแล้วก็เราก็ค่อยๆค่อยๆค่อยเป็นตัวของตัวเองโดช่วยตัวเองมาโดยลําดับหมายความปัญญารักษาตัวได้มาโดยลําดับ วันตรงตรงนี้ท่านท่านเห็นว่าอาการทั้งหมดไม่มีความละอายไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปมีความปรารถนาลามมกมีความเห็นผิดมันก็ออกมาในรูปของการกระทำอะไรจะเห็นแก่ตัวเองมุ่งลาบมุ่งสักการมุ่งชื่อเสียงพู้ตัวเองเป็นหลักใครใๆก็รังเกียจอ่ะใครใก็ไม่ชอบแต่จะเลือกมาต้อการใหญ่จริงๆมีตัวเดียวนะคือความเห็นผิด ตรงนั้นจะนับหรือไม่นับก็ได้มันออกมาเป็นอย่างนั้นแหละและที่จริงนับให้มากกว่านั้นก็ได้นะถ้ายังมีความเห็นผิดอยู่แล้วนับได้เป็นร้อยเป็นพันในข้อต่อไปนั้นก็มาต่อจะเลยนะข้อต่อไปทรงเพิ่มธรรมะอีกสองข้อแต่อย่าลืมมาที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันเป็นโบหารเราจะเห็นว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นเป็นโบหารอย่างที่เคยบอกให้ฟังบอกมันเหมือนกับหมู่บ้านเนี้ยอะไรก็ดีหมดเสียนิดเดียวชอบเล่นการพนา น, น ได้เงินได้ทองมาขยานธรรมากินดีเสร็จแล้วมาตั้งวงเล่นการพนันกันเพราะ้นเวลาไปเทศอบายจะมุกบ้านนี้เทศเรื่องเดียวพอแล้วนะเทศเรื่องการพ น, นันไม่ต้องไปเทศเรื่องนักเลงหญิ ง, งนักเลงสุราเที่ยวกลางคืนไม่ต้องไปยุ่งมันไม่มีแถวนั้นไม่มีบ้าน น, านั้นไม่เทศเรื่องเดียวเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะดูคนแล้วก็เทศธรรมะเพราะเขาสามารถเข้าใจอย่างไงเขามีปัญหาตรงไหนตัวเนี้ยแล้วจะเอาธรรมะข้อ น, นั้นมาทรงเพิ่มความ ริษยาก็ความเสน่ห์เข้าไปหมายความมาเหตุให้คนไม่เป็นที่รักของคนอื่นนั้นก็คือคนดีมักริษยาริษยาต่อความดีงามความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นหมายความมาใครได้ลาบได้ยศได้สรนเสริญในความสุขก็จะเกิดความริษยาความริศยาอย่างที่บอกว่าเป็นกิเลสผสมมันเป็นอาการของโลภโทสะโมหะครบไปในตัว เราจะริดสยะเราจะเกิดโลภะในสิ่งที่เขาได้หมายความเขาได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้สุ เ, สรสรเราก็อยากได้เสียเอกก็คือโลภะในสิ่งตรง น, นั้นแต่พอดีคนอื่นมาได้คนอื่นมาได้เราเกิดโทสะเกิดไม่ชอบในคนที่ได้นะก็คงจะเป็นจำนวนจี น, ในใคล้ายๆกับคนไม่ผิดผิดที่มีหยกติดตัวตถ้าทิ้งยกบังก็ก็จบนะฮะไม่ถูกไล่ล่าเรา ยิงยกเสียแต่ทีนี้พอดีไปไปไ ป, ไปพกหยกเอาไว้มันก็โดนไล่ล่าอยู่ดีๆเพราะงั้นตรงตรงนี้มันก็กลายเป็นฤทธิ์ยาฤทธิ์ยาในในทั้งคนทั้งของเป็นกิเลสรวมนะฮะแต่เราจะเห็นว่าถ้าถ้าแยกแล้วจะชัดมากถ้าแยกว่าคนนั้นที่จริงเราไม่ชอบแต่ว่าในของนั้นเราชอบคือเราอยากได้ก็แสดงว่าในคนเราโกรธในของเราโลภ ก็เกิดเป็นกาเป็นกลายเป็นความรู้สึกติริษยาเกิดมาเพราะคนคนติริษยาก็คอยขัดขวางตัดรอนเบียดเบียนใส่ร้ายไปสีกดดื่มมันก็หาความสงบไม่ได้สูญเสียเวลาในการนารงชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าเป็นเหตุให้เกิดเกิดอะไรเกิ ด, ก ด, กดสักต่ําหมายความว่าสถานะต่ํ า, าเพราะมัวติริษยา ไม่ได้มีเวลาสร้างสรรพัฒนาตัวเองเจ็นเห็นเขาเจริญก้าวหน้ามันก็น่าจะศึกษาวิธีการเขาแล้วก็พยายามทำตัวเองให้เจริญก้าวหน้าตามไปก็ไม่เปมัวริษยาอยู่ตรณี่ตระีนั้นเป็นอาการท่านท่านทั้งหลายลองลองสังเกตว่าตรณนีคล้ายๆกับริษยาเราเกิดโลภะในของแต่เราโทสะในคนนะ เราจะเห็นว่าถ้าเราชอบคนเนี่ยเราให้ได้เราไม่จะเนียแต่ถ้าเรายังเสียดายของเราก็ให้ไม่ได้แม่คนนั้นจะชอบเพราะฉนั้นบางทีในแม้ในพี่น้องด้วยกันเนี่ยให้พ่อให้แม่เรายังไม่ให้เลยเราเสียดายของแสดงเรามีความโลภในของแต่บางทีไม่ได้มีปัญหาที่ของมันมีปัญหาที่คนหมายความว่าของนี่จริงเราไม่เสียดายแต่สมับคนนี้เราไม่ชอบเราไม่ให้จึงเป็นกิเลสผสม เห็นหมว่ากิเลส ท, ทั้งหมดมันมาจากโลภะโทสะโมหะทั้งนั้นพอเราแยกแล้วจะเจอจะเจอชัดมากแยกเป็นอะไแยกเป็นคนกับของนะฮะเพราะาสิ่งดังทั้งหลายในโลกมันมีชีวิตกับไม่มีชีวิตแยกง่ายๆว่าแยกระหว่างคนกับของแล้วจะเห็นว่ากิเลสตัวไหนมันเกิดตรงไหนเพราะาลักษณะของความจะหนีมันจึงออกมาในรูปของการจะหนีผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านเรียกว่าลาภมัจฉริยะคือจะหนีผลประโยชน์ทั้งหลาย ผลประโยชน์ของเราเราไม่ยอมให้แก่คนอื่นหรือผลประโยชน์ร่วมกันเราก็กีดกันคนอื่นกันฟังคนอื่นตลอดถึงตนนีมากๆนะฮะตนนีมากๆแม้แต่คนทำดีเนี่ยเราเกิดรทติ์ยานั้นจริงๆก็มาจากตนนีเหมือนกันกลัวคนอื่นก็จะเด่นจะดังหรือว่าเอออะไรล่ะแม้แต่ในครอบครัวเองนะฮะจันวาจนว่ า, นวาคนหนึ่งคนหนึ่งไปเสียสละแล้วคนหนึ่งเกิดไม่ชอบ และเกิดอะไรเกิดกรันนีในความดีที่คนอื่นเําทหรือจะนีในของที่ที่คนอื่นเขาให้ไปและบางทีคนอื่นทําดีๆนะฮะทํ ท, ทดีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอะแต่เรารู้สึกทาหนิท่วงติงไปด่าไปว่าเขาไปนินทาอยากเปล่นอยากดางังอะไรอนะไรเนี่ยนั่นเป็นอาการของสันีิําให้เราไม่สามารถอนุโมทนา อนุมท น, นาคือชื่นชมในการกระทําดีของบุคคลอื่นได้หรือไม่สามารถมุติตาต่อกรรมดีของบุคคลอื่นได้นี่ก็คือเหตุที่ทําให้คนไม่เป็นทีระของคนทั้งหลายแต่ว่าความสน่ยายามยังออกมาเยอะสนีที่อยู่ที่อาศัยเสนีพวกพ้องสนีวันณนะสนีความดีสนีทําอะไรอะไรก็ออกมาเยะสนีห้าอย่างสรุปแล้วว่าสน่มีเยอะห้าอย่างเดีวยวกัน นี่ก็คือเหตุคือปัจจัยที่ทําให้คนไม่เป็นที่รักของคนอื่นแม้ตัวเองนะก็ไม่ภาคภูมิใจตัวเองแต่อาจจะภาคภูมินะไม่แน่หรอกคนวันนี้มันมันจิตใจมันผิดปกติอาจจะรู้รู้สึกโศงกามากแล้วจะไม่มองเห็นไม่มองเห็นโทษของตัวเองและการต่อไปคือตรงกันข้ามทั้งสองสูตรนะทั้งสองสูตรหมายความมาเป็นการกระทําที่ไม่มุ่งลาบไม่มุ่งสักสาระไม่มุ่งชื่อเสียง อย่างที่บอกว่าการใช้ชีวิตประเสริฐเนี่ยการรับผิดชอบในกฎของกรรมเรารับผิดชอบในการกระทําของเราอย่างที่ทรงแสดงชัดนี่นะฮะแสดงชัดว่าเหมือนกับเราปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปในดินแล้วเขาได้รับผลของพืชชนิดนั้นคนทําความไม่ดีก็รับผลดีคนทําความชั่วก็รับผลชั่วเราทำแต่เหตุแต่นั้นเองมีหน้าที่สร้างเหตุ เราต้องการผลพืชจริงแต่ผลพืชเราออกเองเองไม่ได้หรอกเราก็ปลูกพืชไปถึงคราวหนึ่งพืชมันก็ออกด อ, อกออกผลเองก็ให้ผลแก่เราเองเหมืะนการการทําความดีมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเรารับผิดชอบในตัวความดีที่เราจะกระทําโดยไม่ได้สนใจแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยอย่างที่เคยบอกให้ฟังพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าการปฏิบัติตพรหมจันทร์ก็เรียกพรหมจันทร์นะนะมายความว่าการ การประพฤติใช้ชีวิตประเสริฐอยู่ในศีลในธรรมในนียมันไม่ได้มุ่งผลข้างนอกแต่ใครไปคิดว่ามุ่งผลข้างนอกมุ่งสักการะชื่อเสียงความเคารพนับถือแล้วนี่จะอยู่ลําบาก ท, ที่จริงมันมุ่งขัดเกลาภายในมันมันจุดจุดมุ่งมันมีอยู่สี่คำต้องใช้คำดี่คำนะฮะสัญมะสังวรคือการสํารวมปานะคือการละแล้วก็วิราคะคือการคลาย นิโรธคือการดับหมายความอะไรคือสํารวมระวังสํารวมระวังก็ก็แล้วแต่จะมองระดับใดนะระดับระดับกึง่งศีลกึ่งธรรมะก็คือระดับระวังอินทรีย์เป็นลตาิรูปหูฟังเสียงเป็นต้นเนี่ยตลอดถึงสํารวมระวังระดับศีลนะระดับศีลระดับอินทรีย์อันนี้ก็เรียกว่ากึ่งศีลเอออินทีศีลนัก็ศีลนะอินทรีย์นะกึ่งศีลกึ่งธรรม หมายความอ่าถ้าชาวบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมะแต่ถ้าพระนี่มันเป็นศีลสำรวมระวังอินทรีย์ก็สำรวมถึงใจนะไม่เกิดความเยินดีเย็นร้ายในเวลาตา ย, ยรูปเป็นต้น น, นั่นก็เรียกว่าการสำรวมระวังและบางครั้งก็เป็นการสำรวมระวังโดยใช้ความอดกันอดทนเอามันมีอารมณ์กระแทกกระทัะทนอะไรรุนแรงยังไงก็ตามเราก็อดทนเอาเพื่อ ไม่เพิ่มบาปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่เพิ่มความรุนแรงเช่นเขาด่าถ้าเราด่าตอบมันเรื่องมายาวอ่ะเรื่องมายาวก็ปล่อยเขาด่ากคนเดียวเพราะรับผิดชอบเฉพาะกรรมของเราเองถ้าเขาด่าเขาก็รับผิดชอบกรรมของเขาแต่ถ้าเราด่าด้วยเราก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบกรรมของเราที่เกิดขึ้นจากการด่าตอบเพราะก็ปล่อยเขาทําไปซึ่งซึ่งซึ่งคติคไทยเราก็มีแยกนะฮะเช่นเช ามาว่าคมนะฮะตบมือข้างเดียวไม่ดัางนี่คิดได้คมคิดได้คมมากเลย แ, ลแสดงว่าคนรุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่เข้าใจอะไรคิดมันคิดจะพภาสนามคิดจะพภาคสนามแล้วก็ท่านท่านกรหาอะไรที่เป็นรูปธรรมจึงเราเออเข้าที่ลองลองไปไปศึกษาดูนะว่าความคิดเก่าๆความคิดโบราณเนี่ยนะนะเป็นความคิดจะภาคสนามและคิดจากใจที่สงบ แต่สงบอยู่กับวัดกับวาได้คุยคุยกันไปอะไรไปแล้วก็พูดพูดพูด พ, ดพดกันมันก็ออกมาเป็นประโยคประโยคแล้วก็คนก็ชอบความคิดเหล่านะั้นแล้วก็มีการถ่ายทอดกันมาก็แสดงว่ามันมีพลังของสมาธิหนุนอยู่ไม่ใช่เบาอะนะครค่อนข้างประณีตมากๆทีเดียวบางทีก็อุปมาแรงๆนะหมากัดอยากัดตอบหมาเขา่าไม่เห่าตอบอันนี้ก็ค่อนแขงแรงนะ เอาทองไปแลกอะไรเอาทองไปรักกระเบื้องพิมพ์เสนไปแลกเกลืออะไรแต่อะไรเนี่ยฮนะจะคิดออกมาเป็นรูปประรมอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมาเป็นความคงคายในการคิดแต่ก็แสดงว่าคงจะคงจะใช้ความสงบเนี่ยเสริมมากๆากแต่นี่ก็ก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่ที่ความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างที่ว่าไว้ในตอนตอน้น เรารับผิดชอบกรรมของเราถ้าเราปฏิบัติเราสํรารวมระวังได้กิเลสเราก็ลดความดีเราก็เพิ่มใครจะรู้ไม่รู้มันไม่เดิมเขาไม่รับผิดชอบอะไรเราเลยนะฮะแจะเห็นว่าสมมติว่าเราทําดีแล้วคนไม่ยกย่องเราเลยเราก็ดีเท่าเดิมนะฮเราทําชั่วไม่มีใครติเราเลยเราชั่วเท่าเดิมไม่ไดไ้ไม่ได้ลดชั่วไม่ได้เพิ่มชั่วอะไรเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวนอกไม่ได้เกี่ยวตัวนอกอะไรเลยแต่เราไปให้ความสําคัญกับตัวนอกมีมาก ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เขี่ยกับตัวตว่เพียงแต่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าตราบใดที่เรายังไม่ตาทีโนคือไม่คงที่นะฮะหมายความไม่คงที่เนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงได้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสอารมณ์ได้เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงสิ่งที่โจนนำไปได้ยากนำไปได้ยากนะไม่จะนนำไปไม่ได้ แต่บอกว่าจบบุญยางโจเรฮิดูหรังบุญโจนำไปได้ยากหมายความมาโจขโมยได้ไม่บุญเนี่ยขโมยได้นะฮะขโมยได้นะสมมติว่าท่านไปทำบุญทำสังฆทานเสร็จกวดน้ำเสร็จบกโอ้ยพระองค์นี้มีเมียนะไปทำได้ยังไงเสร็จระยมวูบเลยเห็นไหวูบเลยอัปาราบราเจตนาจบเรนว่าโจรักไปแล้วโจรักความรู้สึก เขาเรียกว่าอัปปราประเจตนาจะใจขุดมัวเศ ร, ร้ามองเจ็บจนรักได้แต่ไม่ใช่ลักได้ง่ายนะโจร น, นําไปได้ยากหมายความว่าโดยวิถีของมันคนชั่วเนี่ยจะทําบุญได้ยากนั้นอันนั้นชัดมากแต่ในขณะเดียวกันเขาบันทอนบุญเราได้นะก็บุญบรรทอนบุญเราได้แล้วโดยโดยเฉพาะอย่างนี้คนสมัยนี้เชื่อง่ายด้วยนะเชื่อง่ายด้วยอ่านข่าวสังคมหนังสือพิมพ์สองสอวันทัดเสร็จแล้ว เสรแล้วเชื่อแล้วนะฮะแล้วข่าวสังคมจะมีอิทธิพลมากข่าวหน้าสี่หนังสือพิมพ์มีอิทธิพลต่อสังคมมากปัจจุบันเป็นเรื่องน่ากลัวมากนะฮะท่านทั้งหลายลองไปดูนนหนังสือพิมพ์ฉบับไหนก็ได้ข่าวสังคมหน้าสีไม่มีตัวคนเขียนนะมีแต่นามปากกาเราเชื่อแม้แต่ยังไม่รู้ว่าใครพูดเนี่ยนะฮะบางทีผัวเมียทะเลาะ ก, กันเพราะข่าวหน้าสีมี่รู้เลยนะฮะว่าใครพูดนะเนี่ยแต่ว่าผัวเมียอยู่มาด้วยกันจนตั้งนานแล้วยังไม่เชื่อกัน ที่หาว่าฝ่ายหนึ่งโกหกไปเชื่อข่าวหน้าสีเป็นสารณะนี้ ค, คือคือคือลักษณะจิตใจของเรายังอ่อนไหวแต่จริงๆแล้วท่านจังหลายจะเห็นว่าถ้าใจเราคงที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงบัพปุญอะไรให้เราตัวนอกนะฮะไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้สมมุติว่าเราทําความดีแล้วคนชุอนันโมทนาสาธุหมดเลยเขาก็ได้บุญเพราะอนโมทนาเขาเองเราไม่ได้เพิ่มนะรเราเท่าเดิมนะ เราในมีเท่าเดิมเราไม่ได้เพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นแต่เราอนุโมทนาตามไปเห็นมามที่พระเจ้าทรงแสดงคนเรามีกรรมของตอนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมแล้วก็มองเลยไปจนถึงว่าเราอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่จริงท่านทำก็ท่านเองนะฮะมันไม่จะส่งแบบพัสดุปไปส น, นิแต่มันเกิดขึ้นโดยการอนุโมทนา หมายความว่าท่านรู้ว่าเราอุทิศกุศลส่งไหมท่านท่านก็อนโมทนาเพราะฉะั้นบุญที่ท่านได้คือเรียกว่าปัตตานนโมทนาใหม่บุญจะสําเบ็ดโดยการอนโมทนาส่วนบุญส่วนบุญไหนส่วนบุญที่เราอุทิศให้ท่านตัวอย่างเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องเปรตพระเจ้าปิมิษานั่นแหละท่านบอกไว้ชัดมากเลยตั้งแต่เรื่องแรกที่เราอุทิศส่วนบุญในศาสนาพุทธนี่ก็เริ่มจะเปรตพระเจ้าปิมิสานเห็น ไ, ไหมว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปแต่ว่า ใจเราไปให้ความสําคัญข้างนอกวันใจเราจะฟูจะแพร่ไปตามอารมณ์ข้างนอกทั้งๆนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะให้เปลี่ยนอะไรแต่เพราะใจเราไม่มันม่นคงจึงสามารถเปลี่ยนได้แต่เกิดจากใจเราไปยอมเองไปยอมสยบเองเนี่ยพอพอทำความดีพอใครพูดก็หนอกโกรธแล้วเลิกทํานะไม่รู้เกี่ยวอะไรกันนี่ยนะเพราะงั้นในแนวศาสนาท่านจึงบอกว่าหลักการเนี่ยคือเพื่อสังวรคือการสํารวมระวัง เพื่อปหานะคือการละเพื่อวิเอคะคือการคลายกิเลสเพื่อนิโรธาคือดับ ก, กิเลสสามสี่คำนั้นเองนะสี่คำนั้นนั้นแล้วท่าหนหลายลองลองนักเก็ตว่าคำเราเนี้มีมาตั้งแต่ธรรมจักรกัตตนาสูตรแต่เพียงแต่ใช้ธรรมจักรกัตตนาสูตรใช้ในแนวธรรมะอภิญญายาสัมโบธาญานิปานายะสัมมัตติเห็นไหมอภิญญายาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโบธาญาเพื่อจัรุรู้นิปานายะเพื่อนิพานเห็นนะ อันนั้นพูดในแนวของตัวนิโรธไอต้ตรงนี้พูดในแนวของสมุทยัยพูดในแนวของการละสมุทยัยทางการละเหตุแต่ถามว่าเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเพราะการปฏิบัติไม่มุ่งไปที่ลาภสักการะชื่อเสียงถ้าได้ก็คือได้ได้ก็คือได้แต่ไม่ได้คอยความปรารถนาถ้าได้ก็เป็นเรื่องของคนที่เขาเห็นว่าเราดีเขาก็ให้ ใช้ก็แล้วไปก็ไม่ได้ไม่ได้มุ่งไม่ได้จุดมุ่งตรงนั้นนะนะมุ่งปฏิบัติพัฒนาตัวเองแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นนะชัดว่าเอาก็จริงเรารับผิดชอบตัวเราแต่ละคนเนี่ยอย่างที่นางปตา a ราเทรีพิกษุณีที่บอกที่สอนพวกผู้หญิงที่ลูกตายเด็กๆที่มาหาท่านกี่คนกี่คนท่านจะสอนเมืองกันแล้วท่านตั้งคําถามเมือนกันถามว่าเด็กเหล่าเนี้ยก่อนตอนตอนที่มาถือปฏิสนธิในครันของคุณนี่แกบอกกอดหรือเปล่า เรจะมาขอเกิดเป็นลูกด้วยก็ไม่ได้บอกนะแล้วตอนที่แกไปนี่แกลาได้ เ, ไป เ, เปล่าไม่ได้ลาเอา้าไปเสียใจอะไรกับคนที่มาก็ไม่บอกไปกันไม่ได้ลาเขามาด้วยกรรมเขาเขาอยู่ด้วยกรรมเขาก็จากไปด้วยกรรมของเขาเห็นไหมฮะนี่ชัดเลยว่าทุกคนเนี่ยมันมั น, ม, นมันอยู่ในรับผิดชอบในสายของกรรมเองกรรมที่เขาได้กระทําเอาไว้แต่นั้นเองเพราะงั้นถ้ามันจะได้มันก็ได้โดยการกระทําของเรา คนอื่ก็ยอมรับนะถือก็ได้ก็ได้แต่ไม่ใช่ตัวเนื้อหาสาระที่จะต้องไปมุ่งแด่จะต้องให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านั้เพราะสิ่งเหล่า น, นั้นที่จริงมันเป็นอามิตรนะฮะเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อซึ่งอาจจะได้จากความดีก็ได้ชั่วก็ได้แล้วก็เป็นสมบัติที่ไม่จะติดตัวอะไรนะสมมุติว่าคนยกย่องสรรเสริญเรามีนักข่าวอะไรแต่ไรน ะ, ะพกพวก รับจ้างเขียนเชียเราสารพัดเลยนะตอนตอนศพคนแท่กันเป็นล้านเลยนะแต่เราทําชั่วเยอะตายไปตกนระกเรียบร้อยไม่ไม้แต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งข้างนอกมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยมันอยู่ที่พัฒนาการทางจิตเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เป็นที่รักก็คือหนึ่งต้องแสดงฮิริไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งนะสหสีนะหนึ่งต้องแสดงความฮิริ มีความละอายต่อ บ, บาปมีความรังเกียจบาปมีความขยะแขยงต่อ บ, บาปทีนี้บาปที่กําหนดอะไรอย่ันที่บอกว่ากําหนดโดยหยาบๆก็คือกําหนดที่การผลกระทบสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นแต่มีข้อแมว่าต้องจงใจนะต้องจงใจให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและแบุคคลอื่นพ้ทางจิต ผลทางจิตนี่ชัดก็คือหยุดความชั่วไว้ฮิรินั้นหมายความว่าความชั่วอาจจะมีภัยในใจแต่มันหยุดว่าแค่จิตไม่ถึงก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทําก็ถือวมีหิริแล้วนะฮะมีฮิริแล้วขนาดเนี้ถือว่ามีแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นฐานใจหมายความว่าใจนั้นจะมีฮิริคล้ายๆคนรักสวยรักงามเป็นปกตินะฮะรักสวยรักงามรักความสะอาดเป็นปกติอะ อะไรนิดรหน่อยก็ถือว่าไม่สะอาดไม่เรียบร้อยพระเจ้าจึงอุปมาเป็นหนุ่มสาวที่กำลังเจริญเติบ โ, โตและมีความรักสวยรักงามอะไรก็เรียบร้อยไปหมดแต่ไม่รู้เห็นเด็กที่กุติเหม๋มเรียบร้อยเลย <c oughs> <c oughs> ก, ก็คงจะเป็นบางคนเน่ยนะคงจะเป็นบางคนแต่มาความพวกรักสวยรักงามรักสวยรักงามแล้วอดปะคือสะดุ้งกลัวต่อต่อบาปต่ออกุศลทั้งหลาย ยาที่บอกไว้ว่ามันมันเป็นสุทิรินั้นเป็นมโนธรรมเกิดขึ้นโดยจิตสานึกรับผิดชอบในตัวเองรับผิดชอบในชาติสกุลตัวเองรับผิดชอบในสถานภาพตัวเองรับผิดชอบในความรู้ตัวเองรับผิดชอบต่อคุณภาพจิตคือความเข้มแข็งทางจิตของตัวเองถ้าจิตอ่อนแอนะฮะมันก็จะไหลไปตามนาฏของกิเลสได้ คนที่เอาชนะกิเลสได้เนี่ยจิตต้องแข็งจิตต้องเข้มแข็งไม่ไม่อ่อนไหวด้วยอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบกระแทกกระทัะทนอะไรแต่อะไรก็ตามแต่แอตุตปานั้นเป็นการมองในแนวที่กระรบจากปัจจัยภายนอกในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนสังคมนะฮะคือคิดว่าเรื่องนี้เราทําไปแล้วแม่เราเองก็ติดเตียนเราเองได้ปรู้ใครควรแล้วอาจจะติดเตียน หรืออาจจะถูกจับคุมคุมขังลงโทษหรือที่ตัวหลักจริงๆเนี่ยฮะต้องกลัวภัยในนรกเราจะเห็นว่าพอพูดเรื่องบาปแล้วพุทธเจ้าต่ต้องไม่ทิ้งนรกนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าสังคมนี่เราจะลืมนะฮะคนบางทีเนี่ยไม่ยอมติเตียนตัวเองทําผิดอะไรไม่ยอมรับเลยนะไม่ยอมรับเลยว่าผิดบิณยู่ชวนพูดก็ก็ไม่แคร์นะฮะไม่สนใจกินข้าวของเขาเองอขาไม่มีเกี่ยว เห็นไหมครัคุกตารางไม่แน่ก็ให้เงินพักเดียวก็ไม่ติดล้วทำ้ำนวนอ่อนก็ไม่สางไม่ต่างฟ้องแล้วก็จบแล้วมันมันไม่มีปัญหาเยอะมันแก้ได้ครับแก้ได้เพราะงั้นนรกมันจะแก้ไม่ได้พระเจ้าจึงต้องเอานารกไว้ตลอดเพราะนารกจะเป็นตัวคํายันที่สาคัญที่สุดว่าเราจะรักษาอุตตปะาเราไว้ได้ถ้าเรายัางกลัวนรกอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราอยู่ในกระแสโลกไม่แน่แล้ว เพราะว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของอิทธิพลทั้งหลายทำผิดเป็นถูกทำถูกวิผิดเยอะแยะไปประการต่อไปคืออะไรก็คือเป็นคนที่เรียกว่าปรารถนาน้อยอปรารถนาน้อยคือหมายความมาควบคุมความอยากแนวสันโดษทีนี้สัสนโดษกับความมักน้อยเนี่ยมันมันเลยสอนสองระดับ ถ้าสอนโยมเนี่ยสอนโยมทั้ ง, ท, งทั้งพระทั้งโยมนะฮะจะสอนสันโดษแต่ถ้าสอนพระ ล, ล, ล้วนๆเลวจะสอนมักน้อยด้วยมักน้อยหมายความมาพระบางทีได้เยอะไหเชิดบินธบัตบาบงทีคนตักเยอะทํำยังไงอนุญาตให้รับได้ไม่เกินไม่เกินนะฮะไม่เกินสามบาทแต่ถ้ารับสาบาทมึงต้องมาแจกแบ่งให้คนอื่น แต่เวลานี้มันมีปัญหาเยอะแก้ไขไม่ได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนี้ยุ่งจังเลยนะฮะยุ่งจังเลยผิดวินัยนะพระไปรับแล้วก็ผิดวินัยฉันไม่ได้นะพวกนั้นนะก็ เ, เรียกว่าเป็นยาวาการรีกรับฉันรับแล้วต้องฉันเช้าชั่วเที่ยงเอาไปฉันไม่ได้ถ้าถวายพระก็ไม่รับประเคนนะได้นะไม่รับประเคนแตวถ้าตักบาตรมันก็รับนะฮะตักบาตรมันก็รับเพราะงั้นมันต้องทําความเข้าใจจะถวายก็ถวาย ถ้าวาวเวลานี้ถ้ามากๆเา ก, ก็รวบรวมไปแจกจ่ายในที่อื่นเนี่ยนะฮะแต่ถ้าตักเองแล้ค่อนข้างมีปัญหามีปัญหาในทางวินัยนะมีปัญหาในทางวินัยถ้าพระไม่ฉันก็ไม่มีปัญหาหลา้แต่ถ้าเอาไปฉันฉันไม่ได้ชาวบ้านสันโดษเนี่ยสันโดษอย่าลืมวาสันตุถีประมังธนงัตสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยอดเยี่ยม เพราะอะไรเพราะว่าใจคนที่ไม่สงบไม่มีความปลื้มใจคือไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักบุญใจมันถูกตันหาผลใสเสือใสใจไม่สงบใจมีความอยากที่ต่านอุปมาเหมือนป้าที่ปากปากที่อ้านะฮะปากที่อ่าอยู่ตลอดระยะเวลาอกกินด้วยกินด้วยคลายกระที่ท่านท่านพูดถึงเปรตปากท่ารูเข็มท้องท่าภูเขาอนะฮะเพิ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะต้องมีสันโดษ สันโดษจะแบ่งออกเป็นสามตอนใหญ่ๆที่เกี่ยวกับทรัพย์นะทีเกี่ยวกับเราจะลืมอย่าลืมคำว่าสันโดษว่าพิกษุไม่สันโดษก็เสื่อมพระราชาสันโดษก็เสื่อมพระราชาสันโดษเสื่อมเพราะว่าประเทศมันต้องพัฒนาใหเศรษฐกิจดีจัปัญหาเวนี้ก็พูดเรื่องเศรษฐกิจข่าววาลุ่นมายอมขึ้นน่ะ ก็ก็ ก, ก, ก็ก็แสดงว่าพระราชาในีสันโดษว่าเออพอแล้วพอแล้วไม่ได้บ้านเมืองมันเรื่องเรื่องเยอะเรื่องจะทำทุบสะพานลอยไม่ทุบอะไรแต่อะไรก็เรื่องเยอะเพราะฉะนั้นมันมันมันสันโดษจึงไม่ใช่ไม่โลภนะเห็นนะฮะสันโดษที่จริงก็คื อ, อยังมีความโลภอยู่เพียงแต่คุมความโลภประเด็นสำคัญในการเข้าใจธรรมะถ้าเป็นคูสนเนี่ยเราต้องมองวอามันอยู่ในมรรคข้อไหน เพราะธรรมากูส่วทั้งทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่ในอริยมรรคทั้งนั้นแหละปัญหาว่าอยู่ในอริยมรรคข้อไหนฉันโดดอยู่ในสัมมาชีวะเป็ น, นศีลสิกขานะฮะเป็ น, นระดับศีลสิกขาเพราะนั้นมันก็มีการแสแวงหาในขั้นของการแสแวงหาคุมความโลภเอาไว้แสแวงหาระดมลงไปได้เต็มที่เลยมีทุนเท่าไหร่มีกําลังคนเท่าไหร่กำลังความคิดเท่าไหร่อะไรอะไรตัวบ้าไปเลย หามาเถอะอย่าให้ผิดกฎหมายยาผิดศีลธรรมก็แล้วกันได้เท่าไรก็ได้กี่พันล้านก็ได้นะฮะยังชื่อว่าเป็นการแสวงหาอย่างสันโดษเพราะอย่างที่บอกไว้ตอนตอนพูดเรื่องกรรมฐานเนกะียรมันมันท่า น, นแบ่งเป็นสองตอนนะอันนี้เราถือเป็นอริยประเยชนศสนาอยู่คือการแสวงหาที่เป็นเสริฐเป็นสมาชีพเพราะสังคมนะมันเพิ่มกิเลส น, นะฮนะ แต่ว่าคุมย้ายเพิ่มมากจนถึงล้นไปไปกระทบสิทธิผลประโยชน์ของบุคคลอื่นท่านนั้นเองการเม า, าจระพูมิไ ม, ไม่ไม่ได้พูดถึงหมดกิเลส น, นะฮะพูดถึงลดกิเลสคุมกิเลสท่านนั้นเองเพราะในในการแสวงหาแสวงหาเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เมื่อได้มาแล้วเนี่ยก็สันโดษด้ตามตามที่เราได้มามากก็สันโดษหมายความว่ามันทําใจให้ยินดีในขณะนั้นนะ่ะ ถ้าใจเราไม่ยินดีเราจะเดือดร้อนคล้ายๆกับเรากินอาหารบนโต๊ะอาหารเนีก็กินๆในอิ่มๆมแล้วกันอย่ายุ่งถ้าอันนั้นก็ไม่ถูกปากอันนั้นก็ไม่อรอยกันม่ก็ดีพะทะลอกกับแม่ครัวแล้วก็ต้องบางทีก็ลุกขึ้นไปกินข้างนอก อ, อ๋ออันี้ก็เสียแล้วก็จ่ายจะตังเพิ่มอันนั้นมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามีเท่าไหร่ก็ทําใจยินดีเท่านั้นแต่ไม่ใช่หยุดแสวงหามันเป็นพูดในขณะนะฮะพูดในขณะนั้นธรรมะเป็นพูดเรื่องขณะ ขณะขณะเป็นขณะจิตกันเลยนะพูดเรื่องขณะจิตกันเลยหมายความว่าในขณะได้มาเทไรก็คือยินดีเท่าที่ได้ยินดีตามที่ได้มาในการบริโภคใช่สอยก็ยินดีตามเหมาะตามควรแก่ส ถ, ถานภาพแก่ความจะเป็นที่เบื่อบงังเกิดขึ้นโดยมองไปที่การแก้ปัญหาได้นะแนวที่พิจารณาทางการบริโภคปัญญาสี่เราจะเห็นว่าสนองตอวัตถุประสงค์หลัก ในการบริโภคใช้สอยปัจเจกศีลวัตถุประสงค์หลักนั้นแก้ปัญหาได้หมดในการรับประทานอาหารก็ขาจาัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ให้ร่างกายมีเรียวแรงสามารถ ป, รปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็ท่านั้นถ้าเด็กนั้นอาจจะเริญเติบโตด้วยนะฮะแต่ผู้ใหญ่ไม่ต้องโตแล้วมันไม่โตแล้วนะก็ให้มีเรียวแรงสามารถประกอบภารกิจการงานได้ก็จบนั่นคือวัตถุประสงค์หลักอย่างอื่นนไม่ใช่วัตถุประสงค์เนี่ย มันเป็นอาหารจิตไม่ใช่อาหารกายอย่างอื่นมันเป็นอาหารจิตทั้งหมดตรงสีอย่งงางนั้นกลิ่นอย่งงางนั้นรสอย่างนั้นราคาอย่างนั้นอะไรนะเมื่อวานวันใครไปเล่าที่ร้านอะไรกาแฟท้วงร้กาแฟะอะไรยี่ร้อยยีิบาทอะไรเว้ยตายกินกันไปยังไงเนี่ยคือคือคือเราจะเห็นว่าอันนั้นมันไม่ใช่อาหารแน่ไม่ใช่อาหารแล้วมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นใจอะฮะ เป็นหารใจที่ต้องการแสดงความมีรสสนิยมสูงเป็นคนชั้นสูงอะไรแต่อไรต้องกินของแพงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่อาหารกายนี่คือสันโดษเราทรงใช้คาในที่นี้ว่าปรารถนาน้อยและในขณะเดียวกันก็สอนกับพระก็อธิบายถึงมักน้อยด้วยมักมักน้อยอย่างที่ว่าเราอาจจะได้เยอะนะอาจจะได้มาเยอะ แต่ว่าของพระนัมั ม, มีมันมีข้อแม้ว่ารับเยอะได้นะรับเยอะได้แต่ว่ารับแล้วเอาไปแจกจ่ายแจกจ่ายเพราะฉะนั้นวัดจึงมีเรือนครังสมัยโบราณมีเรือนครังเลยเก็บข้าวครังพอถึงเวลาก็ไปแจกแจกแบ่งพระอานนท์เทระนี่เป็นแบบอย่างให้เลยพระอานนท์เนี่ยก่อนตอนพุะอาจาย์นิพพานเสร็จไปใหม่นะก่อนจะทำสังฆายนานะคร มันมีระยะเวลาว่างอยู่สามเดือนพระอานอนท์เอาผ้าที่ท่ได้รับจากเมืองโกสัมพีนี่เป็นแสนแสนพับน่ะแสนแสนผืนอะไรมาแจกแ่แสนพับแ็่แสนผืนเล ย, เ, ลยเอาไปแจกพระตามสถานที่ต่างๆแจกพระแจกโยมก็แล้วแต่ผ้านะไปสถานที่ต่างขึ้นเกวียนเลยนะขึ้นเกวียนเลยนั้นก็แสดงว่ารับไม่แปลกรับได้เพื่ออะไรเพื่อฉลองตถาผู้ถวายก็ต้องการถวายท่านก็เท่ า, ก, ทาก็รับก็รับก็บไป แต่ว่าเราไม่ได้คิดจะเอาไว้ใช้เพราะฉั้นปัญหาตรงนี้มาในตอนหลังเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราพูดถึงพระใจยีวรนะตอนต้นๆพุทธสมัยต้นพุทธสมัยจะพูดถึงพระใจจีวรต่อมาญาติโยมเขต้องการจะถวายอย่างนั้นก็าศรัทธาเห็นพระจําเป็นปุจจารก็เพิ่มเรียกอติเลกจีวรคือจีบอเหลือเฟือออกไปต่อมาเนี่ยคนไม่ศทาอย่างนี้นะก็เอาอนุญาตเปิดเรือนครั้งเลยเอาข้าเลยครับเป็นการอาศัย ศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็เพิ่มพูนบุญกุศลให้แก่เขาคือนำไปไปแจกแบ่งนากระจายเพิ่มพูนนะชาวบ้านก็ได้บุญเพิ่มขึ้นของนั้นก็เป็นประโยชน์กระจายออกไปพระเองก็ไม่ไปยึดติดในเรื่องเหล่านั้นตน้องรู้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทุกฝ่ายปัญหาสําคัญอยู่ที่ไหนปหนัญหาอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจใจปรารถนาน้อยปรารถนามากมันอยู่ที่ใจเราว่าเราใช้จริงๆเนี่ยคืออะไร ส่วรับไปได้แปลกอะไรนะรับเท่าไรก็ได้เืองนี้น่าน่ารับนะน้ําพ่วมเยอะใครเอามาให้เราก็เอาไปช่วยกดได้เยอะไมไ่แปลกอะไรอะประการต่อไปก็คืออะไรคือเป็นความเบ็นชอบความเบนชอบก็อย่างที่ว่าแล้วมันตรงกันข้ามความเบ็นผิดความเบนชอบเป็นอาการของปัญญาที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการนะฮะ มองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการคือไม่ได้มองเฉพาะจุดใด จ, จุดหนึ่งยันที่พูดไว้ในวันก่อนว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยหนึ่งคือสถานะของสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องเข้าใจเสียสถานะของสิ่งเหล่นั้นสองคืออาทีนวะต้องเห็นโทษของมันแล้วก็สมไม่ใช่หนึ่งต้องเห็นคุณของมันเรียกอัศรทะหนึ่งสถานะภาพของสิ่งเหล่านั้นอะไรก็ตามนะจะเป็นวัตถุจะเป็นสิ่งของจะเป็นคนจะเป็นเรือบ้านเรือรถกระตักคือสถานะของสิ่งเหล่านั้นเราต้องรู้เขา แล้วก็สองนี่คืออัตสาธะสิ่งที่ให้คุณอะไรมันให้คุณมันมีประโยชน์ยังไงบ้างไงอาาเนี้ยอาหารในนี้มันมีประโยชน์อะไรอะไรเนี้ยก็ดูที่คุณมันแล้วก็ประการที่สามต้องดูที่โทษมันอาทีนวะให้เห็นโทษของมันโทษของมันนี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็สี่คือนิสระณะคือทางออกทางออกถ้าเรามองเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็แล้วแต่นะะแล้วแล้วแต่ว่าอะไรว่า บางระดับเราจะเห็นว่ามันเอาเพียงแต่ว่าอย่าให้โทษมากกันแล้วกันให้โทษมากกันแล้วกันให้คุณมันมากให้โทษมันน้อยนั่นคือระดับโลกเราจะเห็นว่าระดับโลกนั้นไม่ใช่คุณลน้นลวนเน่ยนะะไม่ใช่คุณล้ว น, วนเพียงแต่ว่าทำยังไงมันโทษมันน้อยหน่อยโทษมันน้อยหน่อยแต่นั้นเองชีวิตเราก็คงจะต้องมีบาปอยู่บ้างนะะแต่ย้ายบาปมากจนถึง ที่ท่นานใช้ก็ว่านวงเนียไปสู่นรกก็แล้วกันแหละแต่พอถึงจุดหนึ่งนี่จะมองในแง่เทียบเคียงให้เห็นโทษเห็นคุณแล้วก็พยายามไปจะหาทางออกจากสิ่งที่เป็นโทษให้มากที่สุดท่าที่จะมากได้จนถึงออกไปจากโทษอย่างแท้จริงก็ได้ส่วนที่เป็นอัสทส า, าคือความยินดียินดีดั ง, ยดดงอย่างแท้จริงเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความยกเย็น นั้นก็อยู่ที่การจำแนแกแยกแยะมองไปโดยลำดับโดยความเห็นชอบแต่ประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยนะครับคือเมื่อเราถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องมองกลับาการมองกลับนี่กลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ตะกี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นที่จริงท่านไม่ได้ยึดติดในความเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขา แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ยอมรับผู้สมมุติสัตจะทั้งหลายเนี่ยคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกต้องยอมรับทั้งหมดนั่นคือโลกาโนวัดเป็นการหมุนไปตามกระแสของโลกก็เรียกว่าเป็นโลกกสุมโลกกสมมุติเป็นความสมมติของชาวโลกโลกกสัญญาเป็นการกล่าวขานของชาวโลกเป็นโบนทานเป็นโลกะโวหามเป็นภาษาของชาวโลกเป็นโลกกนิรุตนะฮะเป็นภาษาของชาวโลก เหมือนกับผู้ใหญ่มองเด็กเล่นตุ๊กตาตัวเองไม่ไปทะเลาะกับเด็กเพราะตุ๊กตาแต่ก็พรพ้อมจะซื้อตุ๊กตาให้กไม่ได้วาอะไรนั้นหมายความต้องมองคนอื่นในความสงสารในความเมตตากรุณ า, าไม่ใช่ว่ามองคนอื่นในความดูหมิน่นปัญหาเวลาเนี้ฮะที่เรามีปัญหามากก็คือว่าพอเราทาได้แล้วเราจะมองคนอื่นในทางในทางดูหมิน่น คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ตัวเองสุบรีมาพอแล้วสุบรีได้ไปด่าคนทรูปรีแล้ถ้าจะชี้โทษจะจะบอกกล่าวคุยกันนะั้นได้นะฮะแต่อย่าไปด่าเขาเพราะด่าประดาเป็นดา่ดาเป็นวจีทุจริตดา่าเป็นวจีทุจริตสุบรีเป็นวจีทุจริตไม่ะไม่ทุจริตอะเปลืองต่างฮะมันก็เป็นโทษแต่นั้นเองถ้าจะเป็นก็เป็นโลภเป็นโมหะ นะก็ก็คงไม่มากนักหรอกเร่การด่านั้นเป็นวิจิตรจริตซึ่งเป็นบาปต่ออันมันแก้ปัญหาไม่ได้สังคมเราจึงมีปัญหาที่ว่าเราใช้วิธีด่าแรงวิธีด่ากันด่ามันคือคือคือแยกพวกกันน่นะแยกพวกกันแล้วในะที่สุดแบ่งฝ่ายรบกันเองมันก็ต้องยอมรับถึง วุฒิภาวะของเขาแต่ะระดับไปได้แล้วก็เข้าใจกันวันสัมมาทิฏฐิในระดับสุดยอดนั้นจึงเป็นการไม่ใช่ที่จริงทุกระดับอ่ะนะคือการพัฒนาตัวเองการปรับความคิดความเห็นของตัวเองให้ตรงแล้วค่อยว่าเรื่องคนอื่นอีกทีหนึ่ ง, งนะเพราะนั่นก็คือมองมองแนวที่ว่ามาแล้วมองแนวว่าการให้ทานก็มีผลคนที่เราเห็นนะฮะที่จริง ผลในแง่ของจิตใจเราผลในแง่ของสังคมผลในแง่ที่เป็นคุณภาพคุณภาพจิตวินดานบารมีธรรมอ่ะนะแล้วผลที่เป็นการโดนบันดาลผลที่เป็นการโดนบันดานอง ก, ก, การให้ทานผลผลในแง่จิตใจก็หมายความเรารู้สึกดีต่อคนที่เราให้อ่ะก็แสดงว่าตอนนั้นเราไม่โกรธอ่ะ เราเห็นได้ชัดเลยว่าใจเราต้องดีกับคนที่เราให้จะเป็นศรัทธาจะเป็นอะไรจะเป็นจงรักภักดีจะเป็นอะไรก็ตามและผลในแง่สังคมเราก็กลายเป็นคนมีพวกเป็นที่รักของคนทั้งหลายผลในแง่บารมีธรรมก็สะสมสิ่งดีงามขึ้นภายในใจทำให้เหตุเกตัวลดลงไปผลในแง่การโดนบันดาลนะฮะคือตอบสนองมาในรูปรูปมั่นท่านเท่าใดมักตน เท่านั้นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าคนที่ยินดีในการให้ทานแล้วก็ให้ทานมาอย่างต่อเนื่องจะไม่ค่อยเดือดร้อนเราจะมีอะไรที่ ท, ที่ที่ค่อนข้างพิศราพศรพิศดานอยู่มีข้อแม้ว่าไม่ได้ทำแบบอะไรล่ะแบบคนตัดฟืนกฐินารักนะไม่ใช่เรื่องเสแสร้งเอานะเรื่องจริงๆล้าทำเจตนาจริงๆแล้วเราจะเห็นจริงเลยผลของทานผลของศีลผล อ, อะไรเนี่ย ปัญหาสำคัญอย่างยิ่งคือเราต้องเห็นที่ตัวเราอย่างอย่างอื่นต้องถือว่าเป็นเป็นตัวนอกนะเห็นการลดของกิเลสการเพิ่มขึ้นธรรมะเห็นการลดของความโลภในกรณีของให้วัตถุทานเห็นการลดของความโกรธในกรณีอภัยธานเห็นความเ็นการลดของความหลงในกรณีขงเป็นธรรมทานเราต้องเห็นที่ใจของเราก็เข้ามาสู่เดิมสี่คำทดว่านนะี่ฮะคือเรื่องเพื่อเพื่อความซํารวมเพื่อละเพื่อ เจอคลายเพื่อดับเน่ยแล้วก็เห็นว่าพ่อแม่มีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีสัตติตายแล้วเกิดมีแล้วท่านที่รู้ดีรู้ชอบดยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามนะั่นก็มีและประการต่อไปก็คืออะไรไม่ริษยาคือมุติตานะฮะไม่ริษยาคือมุติตาแก่คนทั้งหลาย แล้วก็ไม่เสนีไม่เสนีอย่างน้อยก็ไม่เสนีแรงๆนะฮะไอ้ไม่เสนีจริงๆนี่ค่อนข้างยากเหมือนกันมันกีรีดใหญ่มากอ่ะแต่ทํายังไงมันลดลงไปหน่อยลดลงไปหน่อยบรรเทาใ น, ในรูปในรูปวงการบรรเทาลงไปเราจะมีน้ําใจใจเราจะเชื่อมกับบุคคลอื่นจะมีการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้อบอารีไมตรีจิตกับบุคคลทั้งหลายมันก็เป็นเสน่ห์หมานิยม เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายจะอยู่ในที่ใดก็ตามมันก็สร้างมิตรสร้างไมตรีของคนทั้งหลายได้นี้ก็เป็นหลักเราจะเห็นว่าทรงแสดงเหตุเหตุทั้งหมดนะเหตุทั้งหมดมันก็มีสองเหตุนะแต่ละเดงคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิแตกเอาไปว่าไงก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วนี่มามาจากสัมมาทิฏฐิก็เป็นเหตุได้เกิดความรักมิจฉาทิฏฐิก็เป็นเหตุได้เกิดความไม่รักแล้วก็ทั้งหมดมาจากวิชากับวิชา มิจาทิติมันก็มาจากอวิชาสมาธิิมันก็มามาจากวิชาตกลงมาเป็นรองสองขั้วเหมือนเดิมนะฮะสองขั้วอยู่เหมือนเดิมฝ่ายมือกับฝ่ายสว่างเช่นเดิมเทียงแต่ว่าเป็นแตกกิ่งก้านสาขาเป็นอาการปรากฏเป็นรูปธรรมออกมาพนั้นเด้งวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาแห่งเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจริญงองงามเผยผู้ในธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านคือ